วันก่อนไปไปเยี่ยมหลวงพ่อสุมลมท่านบารณาภาพก็เลยนึกในใจอยากจะไปคุยสนทนาธรรมกับท่านก่อนตาย mm hmm. ก็เลยมีโอกาสตอนนั้นท่านก็นอนแมบแมบเลยท่านก็เลยไปยืนบรนนมมือกล่าวธรรมะถวายท่านนี่ก็ตอนนี้ก็ให โยบก็ก็ถอดข้อความมาพิมพ์เปน็นหนังสือได้สามสามหน้ากระดาษเอสี่ประมาณนั้ก็นั่งกร่ายืนกล่าวท่า น, ท, า น, น, นท่านก็นอนท่านก็น้ำตาไหลคอฉันก็น้ำตาคอคลอง <c oughs> <c oughs> นยธ <c oughs> อพวกเราเนี่ย ชีวิตของพวกเราเนี่ยร่วงการผ่านวัยมาบากตอนนี้เราถูกชลาคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้เนี่ยมันมันบีบเข้าไปให้มรณะมันรออยู่ฉะนั้นจะอยู่บนเตียงใกล้ตายแต่ออถึงกำลังเดินยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ต่างกัน เพราะการที่ลมหายใจมันจะขาดเนี่ยมันขาดได้ทุกเอียบด์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอียบด์ในว่าจะก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลวก้าวไปตายก็ได้ถอยกลับในขณะถอยกลับตายก็ได้ในขณะที่แลตรงเนี่ยตายในขณะนั้นก็ได้เหลยวซ้ายแลขวาเนี่ยตายในขณะไหนได้หมดคุกกาลังคุกแขนเข้าหรือคูกอวัยวะเข้าตายในขณะนั้นก็มีเหยียดแขนออกตายก็มีใช่ม ในขณะที่กินตายก็มีดื่มน้ําอยู่ตายก็มีเคี้ยวตายก็มีกําลังลิ้มไอศครีมหรือว่าของหวานหวนทั้งหลายตายก็มีถ่ายอุจจาระกําลังถ่ายแล้วก็ตายในขณะนั้นถ่ายปัสสาวะตายในขณะนั้นก็มียืนตายยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิง่ง แม่หลับไปก็ตายสรุปแล้วก็คือว่าแม่หายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไปเข้าก็ตายสรุปแล้วก็ความตายมันดักอยู่ทุกจุดของกระแสชีวิตนี่คือความจริงไม่ใช่ความเห็นแต่มนุษย์เราเนี่ยพอจะไปรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันสะเทือนใจเห็นไหมมันรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้ายิงความ ความดีก็ไม่ปรากฏเรื่อมันไม่ได้เจริญกุศลความดีไว้แล้วมันจะมีหลักอะไรเราก็มีแต่ว่าจะไปนูน้นไปนี้กันอยู่นี่แหละใช่ไหล่ะเดี๋ยวกำหนดว่าเวลานั้นจะไปเท่านั้นเวลานั้นจะไปนี้เดี๋ยวบ่ายจะกลับเนี่ยไม่รู้จะได้กลับบรางจริงไหมล่ะนี่คือความจริงไงแต่ความจริงตรงนี้เนี่ยคนที่จะเข้าไปรู้ความจริงได้มันรู้ด้วยสัญญารู้ รู้ด้วยจิตเข้าไปรู้ความรู้สึกเข้าไปรู้การรู้ด้วยปัญญารู้มันไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกเข้าไปรู้เนี่ยมันจะมีความไม่ชอบใจแล้วอึดอัดขับคล้อง <c oughs> ไม่ชอบใจเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาเลยเพราะมันจะมีความว่าถ้าเราตายคนที่เราจะต้องรักตายขึ้นมานเนี่ยเนี่ยคนที่เรารู้จักจะต้องตายขึ้นมานี่โอ้โหมันมันอึดอัดขับคล้องเลย ถ้าคนที่เราเกลียดมันกําลังจะตายมันรู้สึกโลง่งๆนี่เห็นไหมไอความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใช้ความรู้สึกเข้าไปคิดถึงกระแสชีวิตที่มันกําลังแตกดับเดินเข้าไปหาการแตกดับในคําสอนพระเจ้าพูดเนี่ยบอกว่าชีวิตเหมือนกับกระแสชีวิตทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับข้องมากเหมือน หยาิน้ําค้างอยู่บนยอดยาโอ้โหพอดวงอาทิตย์มันอุ่นไทยขึ้นหรือดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยก็แห้งเระเหิดไปยังรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับคล่องมากควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจากไม่ตัดเป็นไม่มีใช่ไหม เราลองดูที่ว่ามันเร็วขนาดนั้นเลยนะไอ้น้ําค้างอยู่บนยอดยาแต่ว่ามันพร้อมที่จะหลุดอย่างรวดเร็วความตายก็อย่างนั้นแหละมันแค่ขนาดจิตเดียวเท่านั้นแหละที่มันฟึบเปลี่ยนภพเนี่ยขนาดจิตเดียวเลยมันไม่สองสามขนาดอะไรหรอกแต่มนุษย์ทั้งหลายที่พากันกระเสือกกระสนเดือดรอนอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราหยัง่งเราหยั่งเราหยั่งเรายัง ไอคนที่คิดอย่างเงี้ยตายกันทุกๆลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราหายใจเข้าสัตว์ตายไม่รู้เป็นพันล้านหายใจออกเกิดใหม่อีกก็เป็นบันพันล้านใช่ไหมแล้วมันทุกๆมันเปลี่ยนพบกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราละ่ะมันจะมีอะไรไปต้านทานกองทัพช้างกองทัพมา้าพลราบเอาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะกันความตายได้ เงินทรัพย์อำนาจยศการไม่ได้หมดเลยเนี่ยมันกลิ่งมาทับหมดเหมือนกับไปภูเขาหินกลิ่งมาจากทิศทั้งสี่แรงที่จะต้านทานก็ไม่มีเวราะ ง, งั้นเรียวแรงที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอไม่พอโดนทับตายหมดนี่คือความจริงทีนี้ถ้าเรารู้ความจริงนี้ด้วยปัญญา มันจะเกิดอะไรรู้ไหมโอตั ป, ปะโอตั ป, ปะเนี่ยพิจารณาถึงภัยเห็นภัยในการเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีเปรต ก, ก็มีอสุร ก, กอ ร, รกายก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวดาก็มีเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันจะเห็นภัยของการเกิดถ้าเป็นมนุษย์ตายปุ๊บจากมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ล้มละลายหมดที่หามาทั้งหมด ต้องไปเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวใหม่แม้จะแม้จะคิดอ่านก็ไม่เป็นก็ต้องอาศัยคนอื่นแล้วหาเงินหาทองหาทราบหาความรู้อี ก, อ ก, อกทู้บตายเนี่ยหามาจนทุกวันนี้ได้กันแค่นี้พอสักพักทำทันทีทำท่าจะจะเก็บหอมลอมเร็บหน่อยก็จะต้องตายจากมันอีกแ้วใช่ไหมล่ะมันมันเอาไม่อยู่จริงๆต้องยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ย พยายามติ้นรนกันจนมาถึงวั น, นออลลวเนี้ยอ่ะก็พอสมควรนะเนี่ยแต่ที่สุดจริงๆก็จะต้องจากมันแล้วนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้เอมมัตจุราชเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันไม่เคยขอร้องก็ไม่ได้ถามว่าต่อให้คนมีปัญญาระดับภาษาลีบุตเนี่ยมันภาษาลีบุตรมีปัญญาเนี่ยมากกว่ามเมล็ดทรายในมหาสมุทรท่านคํานวณได้เลยนะฝนตก ว่ามันประมาณน้ำฝนประมาณเท่าไรคำนวณได้ขนาดนั้นปัญญาแต่เวลาความตายมันมาแล้วหนีไม่ได้มีฤทธิ์อย่างกับพระโมคคัลลานะ <c oughs> ไม่รอดความตายมาถึงแล้วก็เบียดเบียนหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงคนคนหนึ่งมัจจุราชมันเก่งใจมัไหมโหท่านคนนี้ผมเป็นบา ร, รมีมา20ผสมขายยิ่งดรือแสนมากับ ขอเธอมัจจุราชเอ๋ยอย่าได้ตัดรอนกระแสชีวิตของท่านบนนี้เลยเหมือนกับดวงตาของโลกเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวของโลกใบนี้ถ้าดวงอาทิตย์นี้ดับไปแล้วเนี่ยแสงสัตว์โลกก็มืดบอดเจะเห็นแสงสว่างได้อย่างไรคนขอขนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยวารณาภัยมันร้ายกาจอย่างนี้แหละไอ้มัจจุราชเป็นแบบนี้ฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงพวกเราที่บุญเล็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยก็คิดให้ชัดว่าเออนี่มรณาภัยว่า นะ้ำไม้ที่ขีดลงในน้ําขีดปุ๊บเนี่ยจะรวมตัวกับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉั้นใดชีวิตของเราทั้งหลายก็ฉันนั้น น, นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับคล่องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาควรเบิกพืชพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มีน้ําที่ไหลลงจากหน้าผามันไม่เคยหยุด มันไหลไปเรื่อยไม่ไม่ตั้งอยู่นานทุกๆขณะแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ไหลไปเรื่อยไหลไปสุ่มลนะทุกตัวบุคคลทุกกระแสชีวิตไม่มีหยุดยั้งเลยแม้หนึ่งนาทีก็ไม่หยุดเราดูเหมือนมันจะหยุดแต่มันไม่ได้หยุดเนี่ยเรายั้งยังไงก็ไม่ได้ทั้งออกกำลังกายทั้งกินอาหารทั้งฉีดยามันก็ไหลไปเรื่อยไหลไหลไหลไหลไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชนตู้ไปตัวมรณะ ไม่หยุดทุกหลับตาลืมตานะมันไม่เคยหยุดเลยนะชีวิตที่มันเดินเข้าไปสุดเหมือนแม่โคนะข้าจูงไปสู่ลงตรงเชือดทุกข้าวที่ย่างเข้าไปก็ใกล้ลงเชือดใกล้ถูกฆ่าแม้ฉันใดเราทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นนะกําลังเดินจาะเข้าไปแต่อลงเชือดใครที่เดินเข้าไปใกล้แค่ไหน เราไม่เห็นนะคนที่เห็นเห็นได้ด้วยปัญญาที่จะเห็นลงเชื่อเนนะี่ยตอนนี้มันจะชนหลงเชื่อได้ ย, ย่างเนะ น, นึ่ยตอนเนี้ยมันมันจอจูงเข้าไปเนะี่ยมันใกล้แล้วเนะี่ยคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาตอนนะั้นถึงจะเข้าใจความจริงข้อนี้ถ้าเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกยังหนะ่ายังหนะ่ายังไม่ถึงใช่ไหมแต่คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาก็าจะระมัดระวังแล้วก็จะรีบจเจริญกุศล เขาจะรีบเป็นอยู่ใด้ปัญญาเขาจะรีบตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเขาจะไม่ให้ใจเขาออกจากกุศลเด็ดขาดเพราะเขารู้แล้วว่าเขาต้องประเชิญกับมหันตภัยนี่แหละพวกเราทั้งหลายก็มาปารบกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เล็กนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับคล่องมากเข้าใจคาว่านิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับคล่องมากไหม ก็แปลว่าเนี่ยมันติดขัดตลอดเวลามันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลามันเดินไปตลอดเวลาหยุดไม่ได้บอกวหนึ่งวิอย่าเพิ่งเดินก็ไปสู่ลงเชื่อเลยไม่ได้เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเบียดเบียนไปเรื่อยผักไปเรื่อยผักไปเรื่อยและสุดทริงยิ่งใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ทุกทกขณะถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้ว แต่ไหมไอ้ความเป็นอยู่ได้ปัญญาคนเจริญกุศลเนี่ยมันจะชัดแต่ถ้าไม่เห็นนะมันยังเผืนมันยังเผืนรู้สึกสบายดียังโอเคไหมโอเคไปหาหมอเช็คดูโอเคไอโอเคโอเคนี่แหละมันไปได้ทุกเวลานี่คือความจริงของชีวิตใครจะเถียงไหมนี่ใช่ความจริงไหมโคลหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ได้คู่ในความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมล่ะมันเบียดเบียนบีบคั้นกันไปเรื่อยเลยทุกจุดเลยนี่แหละพวกเรากําลังเผชิญกับอะไรกันอยู่เผชิญกับมรดย์อยู่เขาเรียกมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้จริงๆเกิดธรรมดาแก่ธรมธรมดาเจ็บธรรมดาแล้วก็ตายอธรรมดาไอ้คําว่าธรรมดาคือมันต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าตราบใดยังมีกระแสชีวิตยังเล่นกับชีวิตยังปรารถนาชีวิตอยู่มันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้กี่ล้าลานล้านรอบล้านครั้งแล้วซึ่งมันไม่เข็ดไม่จำและไม่เข้าใจไม่เข็ดแล้วไม่จำเลยนะแล้วไม่เข้าใจนี่เลยก็มึนๆงงๆกับมันแล้วก็ปล่อยมันเนี่ยก็ถูกทบตายกันอยู่ แล้วก็ไม่สะเทือนใจมันไม่รู้สึกมันไม่กระแทกกันไปในความรู้สึกว่ามันเป็นมหันตภัยมันรู้สึกโอ้ไปดูใครก็ธรรมดาเนะี่ยยิ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลเนลี่ยเราไปเห็นตายโอ้ธรรมดาเลยว่าธรรมดาไอ้ธรรมดาของกิเลสคืออะไรโอ้ไม่มีอะไรแล้วก็เพลินต่อตายเหมือนกันหมดแล้วว่งงั้นนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแบบธรรมดาที่ไปเห็นธรรมดาจริงๆเห็นแล้วมันสะดุ้ง เขาเรียกว่าสังเวคญาณน่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไฟไหม้ศรีรษะมันจะไม่ทํากิจอื่นแล้วกิจที่ดับไฟต้องมาเป็นอันดับแรกหรือไฟที่ไหม้ผ้ากําลังนุ่งโหมอยู่กิจในการที่ต้องดับไฟเป็นอันดับแรกเขาจะบอกว่าช่วยทํางานหน่อยสิไอ้ไฟที่ไหม้ศรีรษะอยู่ไอค้คนคนั้นมันจะไปทํางานช่วยเขาไหมามันจะต้องเร่งกิจในการดับไฟบนศรีรษะอย่างรวดเร็วก่อนเมื่อชั้นใด คนที่เห็นมรณะภัยมันจะเร่งทํากิจในการที่จะดับมรณะมันจะต้องตายก่อนตายเนีจะต้องให้กิเลสตายก่อนเนี่ยได้ยังไงหรอเอถ้ากิเลสไม่ตายก่อนแล้วเราตายก่อนตายแล้วตายอย่างคนมีกิเลสก็เดือดร้อนเลยทะนี้มันก็ต้องไปตายบ่อยๆสิก็ต้องไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆไปเกิดบ่อยๆสิมันก็เลยตั้งอัธยาศัยว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องให้กิเลสตายก่อนเนี่ยได ถ้าราคาโทสะโมหะยังไม่ตายก่อนเดี๋ยวมันก็ไปไปเบียดเบียนบีบคั้นไปเล่นงานกระแสชีวิตเราอีกแล้วลเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยโอ้โหต้องคิดดูดีมันทกจากการแบกขันทพาระนีนก็หนักไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วเไหมที่บอกว่าชาติทุกเกิดความเกิดเนี่ยลองคิดดูดีหน่ มันเหมือนเหมือนไอตัวหนอนที่มันอยู่ในน้ำคลํา ม, มันต้องไปอยู่ในที่อุดอู้อยู่ในมดโลกของคุณแม่ใช่ไหมหันหน้าก็าไปทางด้านกระดกสลังหันหลังออกมาข้างหน้าท้องลองไปนอนนั่งโคดโค้ใช่ไหมนั่งโคดโค้กอดข่าตัวเองเหมือนลิงอยู่ในโพรงไม้เพราะั้นเถอะมันอยู่อย่างนั้นเน่ น, น, บบ น, น, นั่นแหละแปด เ, เดืดนอนบ้าง เ, งเก้าเดืด อ, อ, บบอาานบ้ง ก, ก็ไปคดคู๋อยู่อย่างนั้นแหละแม่กินของเย็นของร้อนมีผลกระทบต่อเด็กหมดแม่กินของเผ็ดของเค็มมีผลกระทบต่อเด็กหมดไอ้ศีรษะก็ลองรับไอ้กระเพาะอาหารกินตุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้โหทรมานดิ้นก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละแปดเก้าเดือนเนี่ชาติทุกข์แม่ยืนเดินนั่งนอนมีผลกระทบหมด ว่าไงเดเวลาจะคลอดออกมาโอ้โหยังกระตกกระเยวต้องถูกลมกรบมัชวาสเนี่ยกระแทกเอาหัวลงแล้วก็ต้องผ่านช่องเหมือนกับช้างที่สองผ่านช่องดานที่แคบแคบผิวหนังที่ละเอียดคู่ออกมาโอ้โหแสบปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับเหมือนกับมิดกนแร่แล่หนังว่าไงเดชมาถูก อากาศข้างนอกถูกมือคนจับดิ้นชักแทบสลบนี่ชาติทุกข์บางคนก็ท้องนอกมดลูกบ้างหรือต้องตายในระหว่างอยู่ในคันบงไอ้ที่ตายมากกว่าที่เกิดออกมาที่รอดออกมาตายมากกว่านี่ชาติทุกข์ชาลาทุกโอ้โหเดี๋ยีความแก่ ของตาหูาจมูกลิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวใจัยตาปอดจนถึงสมองที่มันเริ่มผิดเพี้ยนเริ่มชราสายตาก็มืดมัวสมองก็ฟอสติปัญญาก็ไปไม่เป็นคิดอะไรไม่ค่อยออกนี่ชราพยาธิก็คือเริ่มแล้วเริ่มทาหน้าที่อาวยวะทุกส่วนเริ่มทาหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยน พอมรณะก็คือหยุดทำหน้าที่อวัยวะหยุดทำหน้าที่ก็คือเปลี่ยนอัตภาพมันมันความโศกความร่าไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจทกในการแบกขันดพาละในการทนหนาวทนร้อนทนแดดทนฝนเขาเรียกอาหาราบปริเยททกุกทุกในการแสวงหาอาหารในการเลี้ยงชีพโอ้โหตื่นแต่ดึกแต่ดื่น วิ่งกระเสือกกระสนกันนี่เนี่ยกว่าจะมากว่าจะห า, หาอาหารกว่าจะหาบ้านได้หาเสื้อผ้าหาเครื่องนุ่องหมหายาโอ้โหยสหัส ก, กันเลยเนี่ยหามาตั้งชีวิตโอ้หว่างั้นแต่บังคับได้ผลก็ยังมาเป็นทุกข์ในการรักษาอีกที่หามาได้นะไอหาไม่ได้ก็ทุกข์เพราะการแสวงหาหามาได้ก็ทุกข์เพราะการรักษาทํำยังไงเนาจะไม่ทวงภาษี ทำยังไงนอะจะไม่ถูกยึดซัพย์ทำยังไงนอเนี่ยจะไม่ถูกโจรพ้นทำยังไงนะ้อไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมลมไม่พัดพาไปทำยังไงนอะทายญาติที่ไม่ดีคนญาติที่ไม่ดีจะไม่มาโกงมาผ่านนี่มันขนาดนั้นเลยให้ฝากธนาคารไว้เห็นแต่ตัวเลขอยู่จริง <c oughs> <c oughs> มันนั่งบ้าตัวเลขอย่างนี้นะย อ้เขายัางชั่วต้อเช็กไปดูหน่อยไปดูเขายัางมีครบมั้ยแล้วยังไม่มีอะไรเลยยิ่งทุกวันนี้แล้วเป็นระบบแทบไม่เห็นเงินกันแล้วมีโทราศัพท์ไปก็แล้วโอนผ่านอะไรกันไม่รู้เงินเริ่มไม่มีความหมายไปแล้วเนี่ยทุกในการแสวงหาอาหารเป็ดกันบ้างไหมเนี่ยอาหารลปริเยตะทุกในการแสวงหาข้าวโอ้โหกลัวจะได้มาหลังโซฟ้าหน้าสูซดินใช่ไหม เนตเนืเน่องตีสี่ตีห้าออกแล้วตะลอนตะลอนกว่าจะได้กลับสามสี่ทุ่มโอ้เราเจอหน้ากันเป็นยังไงสบายดีอยู่เลยสบายที่ไหนโอ้แทบตายจริงจริงยขาจถามว่าพอทนไหวไหมเจอหน้ากันแล้วบอกพอไหว ถาใครทนไม่ไหวก็นอนดิ้นร้องโอยโอยบอยไม่ไหวแล้วนันไม่ไห ว, วสรุปตรงนี้ก็คือชี้เห็นนี่คือทุกข์นี่คือกระแสชีวิตนี่คือเรื่องทุกข์ษัตริย์เป็นความจริงนี่คือตัวปัญหาที่มันจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นลนประครับประคองดูแลกันอยู่เนี่ย <laughs> เป็นไงพระเจ้าให้ใช้ปัญญาเขาไปเห็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่เอาความทรงจํา เนไม่ใช่แค่จำต้องเข้าต้องเข้าใจด้วยเนะเข้าใจต้องเข้าถึงเข้าถึงความรู้สึกเนี่ยสะดุ้งสะเทือนด้วยแล้วต้องพัฒนาด้วยไอ้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือต้องเจริญปัญญาญาให้มันเกิด ข, ขึ้นเห็นความจริงจริงๆรงจน ร, ร, รู้สึกว่าเอาละเราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้ว เข้าใจยังเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงความจริงอย่างท่องแท้หรือยังเริ่มจะพัฒนาต่อยังจะพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาเพื่อออกจากมหันตภัยเหล่านี้เราจะต้องทำกิเลสให้นิพพานกิเลสให้ตายก่อนแล้วเราจะได้ตายอย่างคนมีอิสระเสรีภาพตายอย่างไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสตายแบบปลอดโปร่งโ่่งเบา ตายแบบชนี้ที่บอกว่าต่อไปฉันจะไม่ไม่ต้องรับใช้ขันธภาละฉันจะไม่ต้องแบกขันธภาละฉันจะไม่แบกกระแสชีวิตในการยืนเดินนั่งนอนอีกแล้วฉันจะไม่กลับมาเป็นทาตของใครอีกแล้วจะไม่เกิดมาเป็นทาตของกิเลสใช่ไหมบางทีเราทาเพื่อลูกทำเพื่อพ่อทำเพื่อแม่ทำเพื่อพี่ทำเพื่อน้องทำเพื่อตัวเราอะแล้วก็แล้วแต่เนี่ย ไอ้กิเลสเนี่ยมันบอกว่ามันมีตัวเราเราก็เลยทําเพื่อตัวเรากิเลสมันบอกว่าเรามีน้องก็เลยทําเพื่อน้องกิเลสบอกว่าเรามีลูกมันก็เลยทําเพื่อลูกกิเลสบอกว่าเรามีสามีก็ทําเพื่อสามีกิเลสบอกว่าเรามีภรรยาก็เลยทําเพื่อภรรยากิเลสบอกว่าเรามีญาติมิตรก็เลยทําเพื่อญาติมิตรเห็นไหม กิเลมันไม่เคยบอกว่าไอ้นี้พ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวสามีชั่วคราวภรรยาชั่วคราวลูกชั่วคราวเพื่อนชั่วคราวมันไม่บอกความจริงเราเพราะมันมันไม่รู้เรื่องแต่มันยึดไอตัวตัณหามันก็ทยานอยาอุปาทานมันก็ยึดโมหะมันก็ปิดทําให้เราไม่เห็นความจริงท่านมนุษย์พัฒนาองค์ความรู้คือปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยสมมุตินะ ปฏิบัติให้ถูกอย่าบ้ากับมันนะอะไรย่างเ้ไปบ้ากับมันไม่ได้นะต้องฉลาดกับมันนะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกนอกจากจะทํากิตแล้วต้องทําจิต ด, ด้วยนะเว้ยใช่ไหมโมจะทําทกิตอย่างเดียวแต่จิตไม่ได้ฝึกไปยุ่งแล้วใช่ไหมโมต่บ้าทํากิตอยู่กันโอ้ยตายเลยแต่จิตเนี่ยจิตไม่มีศีลจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีปัญญาไปไม่เป็นเลยก็เลยงงแต่การทํากิต นากข้าวนักข้วก็ตายไปตายไปก็เกิดวนๆอยู่แถวนั้นแหละบางกลุ่มก็ไปเป็นสัตว์นรกไปไกลหน่อยบางกลุ่มก็สัตว์เดรัจฉานก็วิ่งอยู่แถวนั้นมันห่วงมันบางกลุ่มก็เป็นเปรตเออขา อ, อยู่วนๆอยู่นูบางกลุ่มก็เป็นอสุรากายเขานวิ่งห่วงข้างวนบางทีก็เป็นมนุษย์อยู่แวกแวกนะวั่นบอ่อแเหแวกนะั่นอยากจะมอมเกิดหม่ เป็นเทวดากับเฝ้าทับต้นไม้สปปมพุรต้นไม้วนอย่างเงี้ยนะบางทีมันห่วงเพราะปัญหามันบอกว่าอ๊ไม่ได้นะเราต้องอยู่ใกล้ลูกเราใกล้สามีใกล้ญาติใกล้ทรัพย์โอ้ยแต่นี้เป็นอย่างนั้ไหมโยงห่วงใครบ้างเนี่ย <c oughs> ห่วงใช่ไหมเ <c oughs> นี่นนนยใช่ไหมนะเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ย ไปเกิดเป็นพยาธในท้องลูกเอาไหมเอาไหมก็ <c oughs> ห่วงไงถ้าไปเป็นพยาธิในท้องของลูกเนี่ยจะไปเกื้อกูลลูกหรือไปเบียดเวียนลูก <c oughs> ลูกจะเอาไว้ไหมถ้ารู้ว่ามีพยาธิตัวหนึ่งมันเกิดในท้องเนี่ยลูกเขาจะเอาไว้ไหม <c oughs> ถ้าบอกนั่นคือแม่นะเขาเอาไว้ไหมมันอ <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกตายไปเกิดเป็นเป็น ไปเป็นกวางยอมตายไปเกิดเป็นเสือแล้วยอมหิวยอมจะกินลูกไหมกินเหลือโอ้โหนี่นะไม่เหลือเลยทํางไม่ไม่อนี้ลูกเนี้ยไม่กินเขาอยู่ใครหิวหิวโอไม่อยากอยู่ใกล้เลยยไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยไม่เอาไม่ไม่รอดเนี้ยเนี่ยในห่วงกันจังใช่ไหม จริงๆน่าห่วงไหมน่าห่วงค่ะแล้วก็ดความจริงก็ไม่น่านี่ไงต้องให้ปัญญารู้ความจริงเอาไว้จริงๆแล้วมันผูกพันกันมันไปแบบนี้เลยไอ้ที่มันจะไปดีๆไม่ค่อยไปแล้วก็วนๆอย่างนี้เลยเขาจึงบอกอย่าห่วงนะอย่าห่วงแนละ้วพอจะตายเขาก็อิลเลยมัดใช่ไหมมือมัดขอมัดเท้าเขาเขาเตือนคนเป็นเนะนี่ยว่าเนี่ยห่วงคือบุตร ห่วงคือทรัพย์ห่วงคือภรรยาหรือสามีไอ้สามห่วงเลยอะไรที่เขาถึงมัดตราสังไอ้ไอ้จุดห่วงยิ่งคือตัณหามันมันห่วงออกมาที่บุตรที่ภรรยาที่สามีที่ทรัพย์เขาก็เลยมัดซะสามห่วงเลยบอกเ้ า, เ, าเนี่ยจําไว้ว่างั้นนะมันละไม่ได้เนี่ยแล้ก็กลับมาใหม่มัดตราสังอัดใส่โลงไปแล้วก็ไเผา คนก็ไม่รู้ไม่มัดทำไมมั น, นอ่านอ่านปิศนาคนโบราณไม่ออกใช่ไหมหออ่านไม่ออกนี่โบราณก็บอกนี่ไงตัณหาตัวห่วงตัวผูกเนี่ยมัดไว้ไอ้เจ้าเนี้ก่อนมันจะตายมันห่วงบุตรมันห่วงสามีห่วงภรรยามันห่วงทรัพย์มัดให้ท่านทั้งหลายดูจาไว้ มันตัดห่วงไม่ได้มันก็จมอยู่ในสังสารวัตรนี่แหละเอาดอกไม้ใส่มือมนไปมันจะได้ไปสุขติบ้างเขาก็บอกอย่างนี้แหละแต่อิสปประเปล่ามันก็มึนมันไม่รู้ไงใช่ไหมพระก็มึนไม่รู้อรยอมก็มึนเลยมึนกันทั้งประเทศเลยแต่เนี้ยมึนกันหมดเลยแต่เนี้ยมึนงงให้พวกเรา พวกเราก็ไปเห็นก็มึนงงอีกก็ไม่รู้ก็สอนอะไร ก, กลับมาโอ้มัดแน่นไหมก็กลัวมันจะลุกขึ้นมาเออไม่เข้าใจแปลกดีตกลงเนี่ยจะจะแก้หรือไม่แก้ในห่วงเนี่ยแก้ไหมตัวยามแก้ไหทันไหมเนี่ย <Okay. S 1> ทันไหม มั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าจะแก้ห่วงคือตัณหาเนี่ย เ, เครื่องผูกคือตัณหาเนี่ยคือความทยานอยากเนี่ยความไม่รู้คือโมหะความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานเนี่ยคิดว่าจะแก้ทันไหมเนี่ยตั้งแต่ในช่วงที่ลมหายใจยังมีอยู่จะแก้ทันหรือไม่ทันมีความมั่นใจสักนิดหมหรือบอกไม่ไหวซะแล้วไม่ทันยกธงขยัน ยกทองขาวหรือยังยงเจริงเออ <laughs> โอ้โหดูหน้าหน้าตายเดิน <laughs> อ, ออกจากกดเนี่ยที่พูดกับพราเมื่อกี้พูดเล่นพอ <laughs> พูดแต่หน้าพราท่านตร่นต้นท่าเก่งหน่อยก็ไปโอ้ไม่ไหวแล้ว <laughs> เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน้นิด <laughs> <p are> เป็นเงิง้ยไหมเล่บ้าบางเลยเ <laughs> ลย ที่บ้านเลี้ยงหมากี่ตัวน่หัวเ <laughs> บาบางแล้วเหลือตัวเดียวรักไหมคิดถึงเขาวันละกี่ครั้งอ <laughs> บอกค่อยๆนะ <laughs> ให้ไปเกิดกัน <laughs> เจอกันทุกทุกชาตินะหนูนะโอ้โหดูนักสูข พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักต่อสู้เออฉันไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพไปเยี่ยมหลวงพ่อสมมต์ก่อนท่านเสียก็เห็นชาวพูดไปกันเยี่ยมคนเข็นรถไปโอ้เป็นอาจารย์ปเป็นคลราวา่าด้วยเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นอาจารย์ก็มีอะไรเขาก็นั่งคุยกันอยู่ เามาก็ไปยืนเขาไม่รู้จักเอามาหรอกเขาเป็นรุ่นเก่าอ๋อไม่รู้พวกเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายไปจะได้สุคติหรือเปล่าก็ไม่รู้เราพูดอย่นึ้นกะ็คุยกันอยนเราไม่รู้เลยเราทำอะไรมาบ้างอะไรทั้งหลายเราเนี่โอ้ยยังไงวังั น, น, น, น, น, น, นและอีกอย่างคนหนึ่งก็บอกว่าตายไปไม่รู้จะทันภาษียาเยมตไตรหรือเปล่าสงสัยจะไม่ทันเธอแล้ว ฉันก็เลยฟังพอฟังแล้วมันใจไปความสุขชาพูดนี่อ่อนแอสุดๆอันนี้ขนาดฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะมายังยังโลเลขนาดนี้ยังยังจิตใจสัดสายขนาดนี้ไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลออยออามากันเึกเค็ดก็เดินเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งข้างๆห้องน้ำก็มีห้องละหมาด เสียงโอ้โหพวกชาวตะวันออกกลางเขามารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขามาละหมาดกันแล้วเวลาเขาเดินออกมาแต่ละคนตาเขานี่มุ่งมั่นเชื่อมั่นเขาเชื่อว่าเวลาวันที่ตายวันพิพากษาของโลกพระเจ้าจะหยิบดวงวิญญาณของเขาโยนไปสุคติไปอยู่กับพระเจ้าเขาไม่เคยมีความคิดว่าเขาจะถูกหยิบดวงวิญญาณโยนไปในนรกเลยเนาะเพราะเขาเชื่อมั่นเขาอ้อนวอนวันละห้าครั้ง ใช่ไหทำแล้วแต่หันมาดูชาวพุทธนี่งอกแงกงอกแงกอะไรอะไรมันสิงใจชาวพุทธทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นเลยอะ่ะมาเห็นแล้วโอ้ไปแล้วจ ะ, ะคุณเดียกันนี่ไงเ ร, เรียนอะไรกมาฟังอะไรมา ไปครบใครมาเนี่ย yeah, ม like, э ันถึงมีใจแบบนั้นเน่ยใช่ไหมล่ะเวลาโยมทำมากินสงสัยไม่รอดไม่ได้แน่แย่แน่แน่เวลาไปแต่งงานก็สงสัยฉันพาเธอไปสู่จุดหมายไม่ไหวหรอกฉันไม่มีความมั่นใจเลยยมจะแต่งด้ไหมถ้าเจอคนแบบนี้แต่งไหมไม่ น, นี่มันไม่บอกอย่างนั้นใช่ไ้ยสือไม่เ ท, ท้ายอดทอ้องจริงหัหยเออมันมันทำไมตรงกันข้ามแล้วถามไงไม่มีความมั่นใจเลยไอ้ น, นี่มันคืออะไรเนี่ย ไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าถึงสุขติไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไม่องจะเป็นพุทธเด็จไงมา ก, นนก็เอาแล้ววะเราต้องมาอยู่กับไอ้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ถามว่ายมศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไม่เคยหยุดศึกษาไม่เคยหยุดฟังธรรมเลยว แต่ยอมประกาศได้แค่นี้เองให้คนอื่นน่ยที่เพิ่งเรียนมาเพิ่งศึกษามาจะว่างไงเออจริงเนาะมันไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเราไม่รู้จะไปสุคติหรือทุกติเออไปซะอย่างงี้นะถ้าไม่มั่นใจไม่ <c oughs> โอ้เนี่ยเป็นแบบนี้ของเขาถือผิดผิดเขายังยึดมั่นแต่เขายังมีความเชื่อมั่นกันนะั่นของเราเดินถูกทางแล้วโอ้โหอย่างนี้เลย ภาษาพระก็าปัญญาชาปัละเขาแปลว่าอะไรตรนี้ชาปละเขาแปลว่าโลเลมันเป็นันเป็นอาการของตันหาตันหาเนี่ยมันโลเลมันโลเลก็เพราะว่ามันมีจุดหมายท่ามวัวมันต้องการสุขเวทนาเท่านั้น ถ้าไม่ได้สุขเวทนามันไม่อยากเดินคนที่มีตัวนี้ตัณหาตัวนี้สังเกตดิถ้าทำอะไรเจอปัญหาชีวิตหน่อยหยิบโยงหน่อยไม่เอาเลยถอยเพราะมันทุกข์เพราะมันต้องการสุขตัณหามันต้องการสุขเท่านั้นงั้นถ้าจะนั่งเจริญกุศลฟั ง, งธรรมะพอเจอปัญหาชีวิตหน่อยุไม่เอาโลเลเลมันไม่สุขมันต้องการสุขต้องการต้องการอเอาสุขเวทนามาตอบสนองอัตตาตัวตน ม, มีความไม่รู้อยู่เบื้องหลังมีอัตราตัวตนเป็นเป็นศูนย์กลางมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายทีนี้มันก็เปลี่ยนไปตามสภาพถ้ามันไม่ได้สุขเวทนามันก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมันก็โลเลยกตัวอย่างเช่นว่าต้องการจะไปนิพพานต้องบรลบายสุขติบอกต้องสุขด้วยนะในขณะ ร, รมนึงเอาถ้าทําไปด้วยเจอปัญหาจอือวสากโดยไม่เอามันไม่ไปที่จุดหมายมันเอาแค่เฉพาะหน้าห้องเรียนไหม อีตัณหาเป็นลักษณะแบบนี้พวกเราเป็นแบบนั้นไม่ล่ะพอทำท่าไปนั่งสมาธินิดทกเลยอ๋อสมควรแก่เหตุเลยพอจะสวดมนต์หน่อยโอ้โหชักไม่ค่อยเอาเลยว่ามันไม่สุขเว้ยไม่สุขซะแล้วพอเริ่มอิติปิโสเหนื่อยแล้วว่านอนดีกว่าอยากจะไปสุขติ หนึ่งต้องได้สุขเวทนาด้วยใช่ไหมและสุขเวทนานั้นต้องเอามาตอบสนองด้วยแต่คนที่มีใจรักในการที่จะเจริญกุศลเขาไม่หนึ่งเห็นว่าเป็นความดีสองเห็นว่าจุดหมายนั้นเลิศประเสริฐโอ้พอเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีใจรักเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นอนะ่ะภาคเพียรทำด้วย แล้วจิตจดจ่อด้วยนะปัญญาก็สอบสวนในการกระทำโอ้โหไปใหญ่เล ย, ดยเดี๋ยนียหนึกตนเองเพื่อถึงจุดหมายปลายทางเลยใช่ไหม เ, เวลาเราถ้าเราไม่มีตัวนี้ขึ้นมามันมันดำเนินชีวิตั้ยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเอาละชีวิตของพวกเราทั้งหลายมันมีความตายเป็นสภาพแล้วมันจดจ่ออยู่ทุกขณะอันนี้คือความจริงมันเป็นความรู้ ถ้ามีปัญญาก็ไปรู้ความจริงเนี่ยมันจะเห็นถ้าจะเป็นความเห็นเราหวังว่ายังไม่ตายเราเราคงอยู่อีกนานเราดูๆแล้วสุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงไม่เห็นที่เป็นอะไรเลยฉะนั้นก็ปล่อยชีวิตเพลินๆบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนี่ความเห็นใช่ไะมันเป็นความเห็นแต่ความจริงันละอย่างเนะ นั้นระหว่างที่เดินจิตด้วยความเห็นกับเดินจิตด้วยความรู้ต่างกันถ้าเราอยู่ด้วยความเห็นเนี่ยมันก็มาคิดจินตนาการปรุงแต่งเหมือนเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็ปรุงแต่งว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นเราเห็นคนคนนี้เป็นคนขี้โกรธแล้วเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละไม่ดีเลยคนคนนี้เป็นคนขี้โกรธเขาน่าจะมีเมตตาบ้างอันนี้เป็นอะไร เป็นความเห็นความจริงก็คือไอ้เจ้านี้ก็ขี้โกดอยู่นั่นแหละเห็นไหมมันไม่เข้าไปรู้ความจริงมันพยายามอยากอยากให้ความจริงเป็นไปตามความเห็นของตนเองแต่ไม่ดูไม่ได้ดูความจริงว่ามันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสืบสวนว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันยิ่ง ok, ตกขอบเลยฉะนั้นคนที่เดินจิตด้วยความเห็นมันถึงอึดอัดขับคล้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา เนี่ยพอจะมาอันนี้ในลายฝนทำท่าจะตกอีกแล้วแม่ไม่ชอบใจเลยมันเห็นอย่างนั้นไงแต่ความจริงคือมันเข้าหน้าฝนความจริงคือพายุมันเริ่มเข้าความจริงมันมีฝนเริ่มตกใช่ไหมก่อนหน้านั้นมันร้อนมันแล้งโอ้ไม่ชอบใจเลยอยากให้มันเย็นนแต่ความจริงก็คือมันร้อนเห็นไหมเนี่ยเราจะอยู่กับความเห็นแบบเนี้ยได้ความเห็นของเราก็ไม่สอดรับกับความเป็นจริง บางครั้งก็ไปเห็นความจริงเส้นนิดนึงแล้วก็ตั้งปรงแต่งความเห็นแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าใจความจริงเหมือนเราเห็นว่าเออเรายังอยู่อีกนาน <c oughs> เป็นความจริงหรือความเห็นเป็นความเห็นใช่ไหมเพราะจริงๆมันจะนานหรือไม่นานมันไม่รู้เพราะมันรู้ไม่ได้ไงแต่มันรู้ได้ว่าในขณนะนี้มันยังมีอยู่อยู่แต่ว่า ความจริงที่มันจะต้องเจาะรู้ต่อไปคือมันตายได้ทุกเวลานี่คือความจริงนะคุณจะเห็นยังไงเป็นเรื่องของคุณเนี่ยแต่แต่ความจริงคือมันตายได้ทุกเวลาจริงๆไม่มีเวลาไหนไม่มีอียาบทไหนเลยที่สัตว์ไม่เคยเกิดไม่เคยตายนี่มันมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงเป็นแบบนี้คุณจะเห็นยังไงเรื่องคุณแต่ความจริงก็ก็เป็นเขาจรง หัเลาะอยู่ดีๆตายก็มีร้องไห้ตายกินข้าวตายโอโ้มีเยอะแยะหมดกระบวนการตายมีสารพัดไม่เราจะเห็นเยอะแยะหมดเลยนั่งร็ออยู่ดีๆตูมเรียบร้อยตายเนี่ยนเะนี่ยแค่นี้เองปราณั้นเดี๋ยวแล้วเราก็โอ้พอตายแล้วกระแสะชีวิตมันเปลี่ยนพบไปแล้วเหลือแต่อะไรซากเหมือนเหมือนอะไรเหมือนงูหลอกคราบ โอ้โหแต่นี่เราก็ไปเห็นข้าบของงูร้องไห้ใหญ่ <c oughs> ตัวงูไปไหนเราก็ไม่รู้เห็นไหม <c oughs> ก็เหมือนกันพอเอาขาบของงูมาก็โหร้องไห้กันใหญ่เศรษฐายวกันเเนี่ยอก็คือข้าบเนี่ยเหไหมศพศพก็คือขาบกระแสชีสบสบชวิตหมดแล้วเหลือแต่เหมือนเหมือนเอางูเหมือนงูลอกข้าบ เราจะทำอย่างไรกับคาบของงูก็ได้จับโยนก็ได้ทิ้งก็ได้เอามีดไปฟันไปตัดเป็นท่อนๆก็ได้มันไม่ได้เป็นบาปอะไรแล้วเพราะไม่มีชีวิตแล้วเหมือนท่อนไม้เหมือนทุ่นดอนปืนแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราเขาไม่เข้าใจกันเข้าไปโอ้ยก่อนหน้านั้นไม่เคยไปขอขามากันว่าถึงขอขามากันใหญ่ ด้ยกายก็ดีด้วยอ้าวขอข ม, มาพ่อแต่ก่อนไม่เคยเอาข้าวให้พ่อแม่ถึงวันนั้นเอเอาไปให้พ่อกินข้าวแม่กินข้าวไม่มาทำตอนนั้ น, นมันเหมือนคนบ้าเนอะใช่ไหเหมือนคนบ้าที่ไปไองูมันคาบของงูมันไม่ใช่ตัวงูแล้วมันเหมือนคนบ้ายางดินเลยตอนดีๆไม่เคยทำตอนนั้น แต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็จะทําอะไรกันก็ทำสิอยากจะพูดกันก็พูดสิไง พ, พอตายไปแล้วทําดีทำด่าโอ้เสียดาใช่ไหมเวลาอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยอยากจะทําดีต่อกันได้เราเร่งทำใช่ไหมให้นึกในใจโอต้องรีบทําเว้ยเดี๋ยวมันตายไปแล้วไม่ได้ทำํำนิดนึงก็ ค, คิดอย่างนั้นไม่ยอมคิดกับสามีคิดอย่างนั้นไหมโอ้ <laughs> ต้องพูดดีเว้ยเดี๋ยวมันตายไปแล้วก็มิได้ยอย่าง สามีก็ทำกันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันตายเลยมันตายไปแล้วหมดจะทำกับใครกับเพื่อนกับอะไรคิดแบบนี้ไหมเฮ้ยโทรไปปุ๊บเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่ไหมเอายังมีโอเคโอเคทําดีต่อกันเต็มที่พอตายไปแล้วหมดหมดท่าเลยวันนี้ไปเยี่ยมพระฉันก็ทําเต็มที่เลยพอเขาบอกว่าโทรมาบอกตายแล้วไปรดน้ำศพไหมเหนือทําไมแล้วไป ไอ้ตอนอยู่ไม่เป็นถให้ท่านเอาจริงเอาจังเกินเกินกับประเพณีแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่คยขนขวายจะปฏิบัติต่อกันไอ้ น, นี่ก็เกินเหทีประเพณีไม่ใช่ไปไปลบล้างนะก็ทำน่นแต่รู้สึกโอ้โหมันไปกันเยอะจังเลยไอ้ตอนที่ตายไอ้ตอนที่อยู่เนี่ยคอยฟังข่าวตายยั ง, ยง <laughs> เดี๋ยวจะตายค่อยไปอน <laughs> ตอนตายโหไปกัน หมดเพราะงั้นไอตอนอยู่ไม่ยอมไปจริงไห ม, ไม <c oughs> ฉันถึงบอกเออฉันเบอกโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าตายรีบออกเข้าโรงพยาบาลเนยนะรีบจัดการเนยนะไม่ต้องไปทําอะไรนะเพราะฉันทำฉันไปหมดแล้วเกียดสบายไม่ต้องไปเอาศพมาเนี่ยนี่ยอยากเห็เออตายเอาศพมาดุ้ยดูไม่น่าดูแล้วตอนนั้น ไนีไ่ยไทิ้งใช่ไหมของไม่มีประโยชน์แล้วมาปรึกษาก็ไปได้ท่านเทศได้ฟังหน่อยไม่ได้ทนตายแล้วให้ตอนนี้ยังพอพูดได้ปตนตอนตายแล้วก็เลิกคุยกันจริงไหมงั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ปรารถนาอยากจะทำดีต่อกันให้เต็มที่ทําทันทีห้ามห้ามยื้อเวลาว่าเดี๋ยว ที่โกรธงอนถ้ารีบทําเสช่นนี้เราจะสบาทุกวันเนี่ยสะสามตัวเองโดยไม่มีเราไม่ติดข้องอะไรกับใครเลยเขาเรียกว่าระตัวเองได้ทุกวันเช่นนี้นที่พอตายขึ้นมาอิมไว้ตรงไหนนี่ของอนั้นก็ไม่ได้ทําอันนี้นก็ไม่ได้ทออําเข้าใจไมหมวุ่นไปหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้น ไม่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเลยใช่ไหมบางคนสำคัญว่ายังไม่ตายบางทีเดินเดินเดินไปมีคนหนึ่งเดินเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินไปล้มตูมเรียบร้อยสมองกระแทกพื้นเป็นนิทราอยานั่นนี่คุยไม่รู้เรื่องนะนนงเนี่ยแค่เนี้ยลองล้มดูที่เนี่ยพื้นอย่างเงี้ยลองล้มดิ แค่นี้เองมันง่ายนิดเดียวจริงๆที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยง่ายนิดเดียวแค่นั้นเองตูมเดียวใช่ไหมไม่น่าดูแล้แต่นี้เขาคนเห็นอาตาเป็นอมาภารแล้วแ้วทำไงอำนาจหมดเลยแต่นี้อำนาจสั่งการลูกก็หมดลูกเห็นก็ไม่เกรงใจแล้วหมดอำนาจอำนาจมันจะหมดทุกเวลาเนี่ย ยิ่งแก่เนะี่ยอำนาจมันยิ่งหมดหมดหมดเนี่ยเขาพูดมันไปมันไม่ทําแล้วเนี่ยเริ่มเห็นอํานาจเริ่มหมดได้ยังเริ่มใช้ลูกไม่ไปยังเริ่มไม่ยังเริ่มเห็นไหมเนี่ยเนี่<ป>นั่นเนี่ยอานาจมันหมดนี่มันค่อยๆหมดไปอย่าง้วเนี่นะเข้านะ่ยเขาที่แม้อํานาจจากเซ็นเช็คออกมายังไม่มีหมดสภาพเลยเออเนี่ย กำลังกุศลเนี่ยมันค่อยๆหมดตัวมันไปเรื่อยๆนั้นจึงจงรู้ไว้แต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้มองปุ๊บเนี่ยมันวิ่งทําให้เราเลยแต่ตอนนี้มันค่อยๆหมดไปนะครับนะก็เริ่มบอกเมียไม่ได้บอกสามีไม่ได้นะครับนะครเริ่มแล้วต้องยอมรับความจริงไปเรื่อยๆยอมรับแบบยอมจำนนนะบางคนเนยต้องยอมจำนนเครียดทุกไม่อยากพูดแล้ว มันหมดมันเป็นอย่างนี้เราไปบอกเขาเขาก็ไม่ไม่ไมแยง้งแยง้งแต่ในใจเลยแวบแวบตลอดลเลยที่จริงกำลังบุญมันหมด<ๆ>ก็ไม่รู้ตัวคนบางคนจริงต้เบรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพอบอกมันได้บ้าง พอจะอกินให้มันก็ยังกินได้บ้ง เ, เริ่มบอกไม่ฟังแล้วเข้าไปก็ไปสวดมนต์น่บอกกูนี่หมดจริงจริง <c oughs> <c oughs> บอกอะไรไม่ได้เลยกำลังกูสวมันหมดตัววันนี้ก็เลยปารบในเรื่องการให้เราเห็นบรณาภัยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าเหมือน เหมือนที่ว่าไม้ขีดลงในน้ํากลับเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานไม่ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็อย่างนั้นพันกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความขับคล้องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีคนที่เป็นอยู่ร้อยปีอย่างมากก็ไม่เกินกว่า น, นะที่นี้มาคํานวณดูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่อยู่กันได้แต่ละวันแต่ละวันทุกทุกขณะมันเสี่ยงต่อความตายได้ตลอดเวลามันสามารถมรรตยูเนวรณะภัยมันสามารถที่จะมาดักเราได้ทุกจุดเปลี่ยนพบได้ตลอดเวลาให้เห็นความจริงตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทพอไม่ประมาทก็คือลักษณะที่ว่าหนึ่งก็คือละกายะทุจริเจริญกายะสุจจริต และอย่าประมาทในทำทั้งสองอยา่างหมายความว่ายังไงถ้าเป็นกายยโสจริตทั้งหลายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมละให้เด็ดขาดแล้วก็เจริญกายยสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมแล้วก็ต้องขวนขวายต่อ อย่าหยุดอยู่เพียงแค่ว่าเออเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วไม่รักทรัพย์แล้วไม่ผปิดกิจกรรมแล้วจงพัฒนาสุดจริตเนี่ยให้เจริญภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบใดยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกจะไม่หยุดเจริญสุดจริตอย่างเงี้ยก็เรื่องไปประมาทราวกวจีทุจริตเจริญวจีสุดจริตและอย่าประมาทในธรรมทั้งสองอย่างหมายถึงว่าเราไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพื่อเจอเรา ละได้แล้วก็เจริญการวิจีสุจริตจะเปล่งวาจาแต่ละครั้งก็ฝึกให้เมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นมุทิตาเกิดขึ้นในการผลักดันวจีกรรมให้เป็นไปกับเมตตาวาจีกรรมให้เป็นไปกับกรุณาวาจีกรรมที่เป็นไปกับมุทิตาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เจริญให้เจริญภัยบุ์พินโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้จะไม่ได้ติดอยู่แค่ความดีแค่นี้ เราไม่เราไม่มะน้อยในการเจริญกุศลเราจะเจริญกุศลให้เจริญภัยบุ์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปและมโนทุจริญเจริญมโนสุจริญโลภโกรธหลงและแล้วก็เจริญความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเจริญความไม่หลงเจริญให้เป็นมโนสุดจริตจริงเวลาคิดกับใครก็คิดด้วยเมตตาคิดด้วยกรุณาคิดด้วยมุทิตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยคิดด้วย เมตตาคือคิดเอาประโยชน์ไปให้อย่างเช่นว่าขอให้ยมมีความสุขมีอายุยืนเนี้ยขอให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างไร้โรคอายุยืนขอให้มีเงินมีงานพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมขอให้มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสมัครสมานสามีีคิดอย่างเงี้ยคิดเป็นไหมนี่เาเรียกวโนสุจเดช ไม่ใช่แค่นั้นนี่ประโยชน์ตาเห็นขอให้ท่านจงมีศรัทธาในพระราตนตรมีตถาคตโพธิศรัทธานะเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของวัตถาคตเมื่อขอให้ท่านดำเนินกระแสชีวิตไปตามกุศลศีลไม่ลงไม่ดำเนินชีวิตผิดศีลผิดธรรมขอให้ท่านจงมีข้อมูลของพระริยะเจ้าขอให้ท่านจงสลั ก, กิเลสได้ มีจาข้าที่แท้จริงไม่ใช่สละแต่วัตถุข้างนอกแต่โลกกฎหลงถูกสละไปด้วยขอให้ท่านมีปัญญาชํำระ ก, กิเลสได้เนะเนี่ยอ๋อเห็นไหมรู้จักบุญบาปรู้จักคุณและโทษทั้งหลานอันนี้ก็เรียกว่าคิดให้เขาได้ประโยชน์ที่เลยตาเห็นคิดมากไปกว่านนะั้นขอให้ท่านจงดําเนินกระแสชีวิตไปตามมรรคาของพระพุทเจ้าจนสามารถละกิเลสและกองทุกข์ได้เป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรม เข้าถึงอนุปาธาภริณิพานโดยสะดวกโดยเร็วนะเนี่ยการคิดลักษณะเนี้เรียกคิดเอาประโยชน์ไปให้เขาอย่างเช้นพูดออกมาด้วยอยเนี่ยเนี่ยน้อมเอาประโยชน์ไปให้โยมด้วยคิดหวังดีด้วยหยิบยืน่นทั้งประโยชน์ตาเห็นเลยตาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ด้วยแล้วก็พูดให้เห็นให้เข้าใจด้ว ย, ยทําด้วยทำทำให้ดูด้วยอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่า ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดไดเมตตาคิดเป็นไหมแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไอ้นี่ใครกูไม่ชอบหน้ามันไม่คิดหรอกอย่างเงี้ยมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยเขาย้าใจไหมคิดไปเลยแล้วให้ความคิดเนี่ยให้เมตตาติดความคิดไปด้วยแล้วมันพุ่งไปแผ่ไปจยิ่งให้มันเหมือนน้ําอ่ะเหมือนเดินแจกดอกไม้ก็ให จริงๆเลยหยิบยื่นไปเห็นภาพจริงๆเลยเอาเมตตาออกจากใจหยิบยื่นให้เขาได้จริงๆเลยไม่ใช่ว่าเมตตามันคดอยู่ในใจมันไม่วิ่งออกเคยเป็นไหมละมันแห้งแรงเคยเป็นไหมยอมมันได้แต่คิดถึงเขาแต่เมตตาไม่ไปเคยเป็นไหมเฮ้ยจะคิดว่าขอยเขาแข็งแรงเฮ้ยแล้วเราล่ะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมว้าถ้ามันแข็งแรงขึ้นมายุ่งหน่อยหนึ่ง เคยไหมคิดแบบเนี้ยมันคิดรู้สึกเนให้เขาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยให้ไม่เต็มที่ให้แล้วยังกักกักไว้กลัวว่าการคิดแบบนี้จะเป็นเหตุทําให้เขาประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะเคยไหมมันหวงอ่ะยังหวงความรู้สึกหวงความสําเร็จหวงหวงความสมปรารถนายังหวงไหมเยอะ <laughs> เป็นนะเนี่ยทําหน้าอย่างเนี้ย <laughs> จ, จ, จริงไหม ไม่กล้าคิดให้เขารวยให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วเขาปรารถนาทรัพให้เขาได้ทันทีปรารถนายศให้เขาได้ทันทีปรารถนาความสุขเขาให้เขาสมปรารถนาโดยพลันจริงๆอย่างคิดนี้เคยคิดขนาดนั้นไหมลึกตาเขาไว้อย่างนี้ก็เรื่อเมตตาไม่ออกจริงเห็นไหม ถ้าเราเจาะไปจริงๆเราจะเห็นว่าอ๋อสภาพเมตตาของเรามันไม่เดินจริงมันเดินครึ่งๆเผลอๆมันไม่ได้ครึ่งมันได้นิดเดียวเราคิดถึงคนเยอะแยะหมดแต่เมตตามันไม่วิ่งไปมันไม่ไปจริงๆเคยเป็นไหมล่ะทำไมมันไม่ออกแต่ว่าถ้าคิดแบบให้เขาแบบดีๆเลยเขาไ แต่แต่แต่ที่ว่าจะได้ของเก็นจิงเอ่อ่จริงนะอย่างนี้ไม่ใช่เมตตาแท้ถ้าเมตตาแท้นี่มันจะไม่มีเงื่อนไขอยกตัวอย่างเช่นถ้ายอมเมตตายอมนิคใช่ปะขอให้ยอมนิจงจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเราจะรักจะปรารถนาดีกระแสชีวิตของท่านผู้นี้นับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป แม้ท่านผู้นี้จะลุกขึ้นมาตบหน้าเราเราก็จะไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นลึดดาเราเราก็จะไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้น หรือเอามีดมาแทงเราให้ตายเราก็จะไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นหรือเอาชื่อเสียงเราไปโพนน า, นาจนทั่วลบุรีตลอดถึงทั้งประเทศเราก็จะไม่ยังความโกรธให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์นี่เราคิดขนาดไห น, นอย่างนี้นถึงเป็นเมตตาแท้เมตตามันต้องไม่มีประมาณสิ ตอนนี้จะได้ไม่มาเบียดเบียดอมันมีอย่างงี้ไม่จะเมตตาแท้ขยายยังตอนนั้นแบบี่คิดว่าแบบเามา่อยอะค่ะาไม่เคยคนเลยค่ะแล้วก็แบบมาจนี่รู้สึกว่าเอ๊ะทไมเแบบไม่ไม่อยกดตัวเอง่มากแบบอยากให้เขาเยจอเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อยมใช้พรมิหารผิดข้อนีใช้ไม่เป็น ในยามที่เขาปกติเมตตาในยามที่เขาประสบปัญหาชีวิตก็กระุณาคุณขวายช่วยเหลือแต่ในยามที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตก็พอยินดีแต่ถ้าเขาผิดพลาดบ่อยๆอ่อนแอบ่อยๆ ย, ย, ยอมต้องใช้อุเบกขาวางใจเป็นกลางแล้วก็บอกว่าคุณฉันช่วยไม่ได้ ถ้าคืนช่วยคุณอย่าควคนอ่อนแอมันผิดธรรมะในใจฉันเธอต้องเข้ ม, ขมแข็งต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนด้วยตนเองด้วยเร็วแรงด้วยกําลังฉันก็ยังรักเธออยู่ยังกรุณาอยู่แต่ต่อวาระเนี้ฉันจเจริญกรุณาไม่ได้ฉันต้องวางใจเป็นกลางให้เธอได้ฝึกผลพัฒนาตนเองฉันจะต้องปฏิบัติธรรมะให้ถูกถ้างั้นฉันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอลม้มเหลวเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ธรรมะผิด ข้อวาละนั่ันควรใช้อเบขา อ, อเบขาเนี่ยมันขับเน้นที่ปัญญาขับเน้นที่ตัวปัญญารู้แล้วเข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอทำให้เขาต้องพึ่งตัวเองได้ไม่ไม่กลัวเขาจะมาโกรธไม่กลัวเขาจะมาว่าเพราะเป็นการฝึกให้เขาได้เข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเธอเกียดค้าน เธอก็ต้องลำบากทั้งทั้งที่เธอขวนขวายได้แต่ไม่ขวนขวายเธอต้องรับผลของการกระทําฉันไม่ได้มีสิทธิ์ไปให้เธอได้ประสบความสุขหรือความทุกข์หรอกกรรมคือการกระทําของเธอเมื่อเธอสร้างเหตุผิดพลาดเธอก็ต้องรับผลผิดพลาดเมื่อเธอสร้างเหตุ ด, ดีก็ต้องรับผลดีฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นเพียงแค่ว่ามองสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามธรรมะและฉันไม่ทําให้มันบิดเบี้ยว ถ้าไปยอมไปช่วยอย่างนั้นนะยอมปฏิบัติผิดความผิดอยู่ที่ยอมด้วยที่ไปทำให้เขาอ่อนแออย่างนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าปฏิบททัติธรรมเขาเรียกปฏิบัติธรรมไม่ได้สมตาไม่ได้ดุนยภาพไม่เป็นมัจฉิมาปฏิปทาควรเจริญอุเบกขาแต่ดันไปเจริญกรุณาเจริญไปกระทุกใจก็เป็นกรุณาเทียมก็อยใช้ไม่ได้ผิดข้อผิดวิธีการผิดบุคคลผิดการเวลาผิดธรรมะด้วย ต้องปรับปรุงใหม่มองเห็นี่อย่างเราเป็นส่วนเป็นส่วนทำให้เขาอ่อนแอดีอย่างเงี้ย๋ยวแล้วจะไปบอกว่าเราเป็นคนดีไม่ได้ไไดเขาเรียกว่าคนทำคนไม่ฉลาดในการทำดีนต้องทำให้ถูกเหมือนกับลูกเนี่ยแม่เอาไปแม่เอาไปแม่เอาไป น, นี่ตายเลยนี่ต้องต้องเอาแม่มาเคี่ยนแม่ปฏิบัติธรรมะผิดคอเลย ไปทำลายเขาทำให้เขาเสียขยันยังเนี่ยเนี่ยยอมทำให้เขาเสียอาหารกลับไปเ็าบอกเออพึ่งนึกออกต้องบอกเาีาเำี่ยกูปฏิบัติผิดตั้งนานพอมาเสร็จก็ยิ้มเลยแต่เนี่ยออกมานี่มานี่บอกว่าช่วยไม่ได้อย่าห้ามบอกว่าพาบอกเดี่ยก็จะมาโกรธพาก็าบอกไปเลยว่าความจริงนึอปฏิบัติผิดนั่นเอง ไม่ต้องไปบอกไว่าใ้เขาให้รวยรวยเขจะได้มามาเบียดเบียนนะก็บอกเออฉันปฏิบัติธรรมะผิดกับเธอไปจริงๆฉันควรวางใจเป็นกลางเธอสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้เธอก็ต้องรับอย่างนี้ฉะนั้นก็ับเรื่องของเธอไม่มเรื่องของฉันฉันไม่เกี่ยวฉันก็ยังยินดีกับเธอปรารถนาให้เธอประสบความสำเร็จแต่เธอต้องขวนขวายเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ช่วยเหลือแล้วโอเคไหมก็ออกแค่นี้เพราะถ้างั้นผิดธรรมะ ไม่ผิดหลักการเป็นกันเยอะในปฏิบัติไม่ถูกนเนี่ยชาวพุทธเนี่ยบางทีโอ้โหยโลอกแหมไปมีเขาจัดอบรมคอดที่ไหนไปลายจังเลยกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมเลยปฏิบัติธรรมว่างเนี่ แล้เสียยี่ห้อขอกความเป็นพุทธบริษัทหมดเลยจะไม่ไปใช้ธรรมะผิดการผิดเวลาผิดบุคคลแล้วมันจะไม่ถู ก, กถูกเรื่องได้ไงนิแล้วก็บอกโอ้ห oh, ทดีไม่ได้ดีก็สมแล้วทําดีไม่ถูกใช่ไหมล่ะฉะนั้นนึกชื่นใจนะโอ้ oh, สม <laughs> มันก็สมควรแล้ว <laughs> ใช่ไหมล่ะ ว, วาะนั่นมนควรจเจริญเลยพระเบกขาก็แปลว่าอะไร <laughs> เฉยแบบไหน <laughs> เฉยเมยหรือเฉยมอง <laughs> มองดูอยู่ด้วยปัญญารู้เข้าใจว่าเราควรเราไม่ควรไปก้าวไก่เขาต้องเป็นไปตามธรรมะที่เขาทำกรรมที่เขาทำเขาต้องได้รับผลการกระทาถึงวาระนี้เขาจะต้องรับผลการกระทาถ้าเราช่วยแปลว่าเราทำให้เขาอ่อนแอหนัเขานกเข้ า, า, ขาเขาก็อ่อนแอเลยเดีเยนีย้เราเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติธรรมะผิดพลาดเป็นเหตุทําลายเขาด้วย ฉะนั้นไปขอโทษเขาเสียโอ้โหทําร้ายคุณมานานเลยทำร้ายเรื่องอะไรบอกเนี่ยไปให้เงินคุณทุกครั้งโออยากให้คุณทําร้ายจังบอกไม่เอาไม่เอาอีกแล้วต่อไปจะไม่ทําร้ายคนอีกแล้วจริงไหมบางคนมันอยากให้เราทรายยําร้ายยแบบนี้ไว้บ่อยพอมาพกก็โยนเงินอย่างเสียเอาไปมันอยากให้เราทําร้ายมันแบบนี้มันบอกโอ้ดีจังเลยทําร้ายแบบนี้มันก็เลยอ่อนเองมองเห็นอย่างฉันก็ปฏิบัติให้ถูก จะได้จะได้เข้มแข็งนี่นีนี่คือการปฏิบัติธรรมะในชีวิตจริงนะคนส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติให้ถูกแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เหมือนว่าฉันทำดีฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ยุ่งไหมเนี่ยความดีการทำดีมันก็เป็นความดี การทำดีจิตก็ต้องเข้าถึงความดีการทำดีสัพคุณภาพจิตที่ไม่จิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องป่องแผ้วจิตที่ไม่มีมนทินมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นความดีอยู่แล้วเวลาทำดีบุคลิกภาพดีๆมันก็ออกมาจากพฤติกรรมคำพูดและการกระทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นย่ไมไมันก็ได้ดีตั้งหนึ่งระดับจิตใจสองระดับบุคลิกภาพ ส่วนคนจะชมหรือไม่มันอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าโยมไปทำดีในเขตที่เขาไม่ชอบอ่ะเขาจะชมไหมแต่ความดีของโยมก็เป็นความดีอยู่ไหมมันก็เป็นความดีอยู่ทีนี้เราไปคิดว่าเออทำดีคนมันต้องชมงี้ไอ้ตรงเนี้ยมันควรจประเด็นแล้วฉันถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเครียกปฏิบัติเนี่ยคาว่าปฏิบัติก็คือ การดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะเนี่ยก็เรียกปฏิบัติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นเช่นโยมมีบุคลิกภาพแบบนี้มีสภาพจิตใจอย่างนี้มีทัศนคความเมียรอย่างนี้ก็มองเช่นโยมมีพฤติกรรมทางกายแบบไหนสมมุติไม่ดีนะยอมชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสมมติ มีวาจาดีไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพือเจอจิตใจก็ดีด้วยไม่โลภไม่โกรธนะไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธอะไรแต่นะี่มีสภาพจิตใจก็ดีแต่โยมเนะี่ยอันนี้แปลว่าเสียหนึ่งดีสองแต่บางทีคนบางคนมีทั้งกายกับทุตริตด้วยวาจาเเท็จจะทุตริตด้วยแต่ใจดีเนีย้ยนะอันนี้เสียสองดีหนึ่ง บางคนทั้งกายก็ทุจริตวาจาก็ทุจริตใจก็ทุจริตนี่เสียสาวนี่ก็มองมนุษย์ก็มองตามความเป็นจริงแบบนี้ไม่ใช่มองแบบเหมาบางทีไปเห็นเขาทาไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็จําแล้วก็บอกไอ้นี้ใช้ไม่ได้เงี้ยเราแยกไม่แยกแยะองค์ประกอบไม่แยกแยะกระแสชีวิตไม่แยกแยะบุคคลจะหลังความเป็นจริงแล้วเขาแยกไอ้ตัวแยกจริงๆเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยเขาไปวิจัยแยกแยะ มันจะได้อยู่อย่างไม่มึนงงและอยู่ด้วยความรู้และเข้าใจว่าจะปฏิบัติต่อกระแสชีวิตนี้อย่างไรงเวลาเห็นคนเ็าทำไม่ดีบางส่วนเราก็สามารถฉีกความไม่ดีออกได้ก็เก็บเอาความดีที่เขาทำมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้เราได้คุณภาพจิตที่ดีก็ได้ใช่ไหมล่ะ หรือว่าแค่แกะดูความดีของเขาอาจจะอยู่ในใจอน้อยนิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะจอดทะลุตัวลวงเหยนความดีของเขาที่อยู่ลึกก็ได้เพราะฉลาดในการที่จะดูมันเป็นประโยชน์แก่เราไหมเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราถ้าเขาไม่ดีเลยทางกายทางวาจารแม้ทางใจเนี่ยก็ให้พิจารณาถึงคนที่ใกล้ตายไม่มีคนดูแลไม่มีหมอไม่มียามันน่าการุณาไมไ้แล้ว ถ้าเขาตายไปแล้วก็จะลงอบายทุกขติวิธิบาตใ น, นโลกก็ต้องตั้งอธิยาสายว่าขอให้เขาได้เจอหมอดีเจอยาดีเจอคนดูแลที่ดีเจอการยานามิตรที่ดีนะน่าการุณาเหลือเกินชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยการมองด้วยปัญญาการรู้การเข้าใจกระแสชีวิตเห็นไหมมันมองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรเข้าใจมันอย่างนั้นและปฏิบัติต่อมันได้ถูกจิตของเราก็ไม่เศร้าหมองจริงไหม นี่เขาเราียกว่าเดินจิตด้วยปัญญาแต่บางคนไม่อย่างนั้นนี่เดินจิตด้วยความเห็นเห็นเขาทาไม่ดีแปลไปไหนนะโอ้โหวิจารไอ่คุนนึกแล้วอีนี้ใช้ไม่ได้ชั่วตั้งแต่หัวจนถึงหางเลยอย่างเงี้ยไปใหญ่เลยทอเนี้ยใช่ไหมก็เราเห็นเพียงมุมนิดเดียวแคนะ่นั้นพอไปเห็นคนดีต่อหน้านิดเดียวแค่นนะั้นก็โหดีจริงจริดีจนไม่รู้จะดียังไง ดีจนเสียคนเลยว่ากันเห็นไหมเราเราไม่ค่อยอยู่กับความจริงเลยใส่ความเห็นทีนี้ก็ยุ่งดีใตเนี้ยในใจเราเลยก็เลยจับอะไรไม่ถูกเลยมันปรงแต่งแต่ความเห็นตลอดชีวิตก็อยู่กับความเห็นตลอดอยู่กับจินตนาการอยู่กับความเห็นเง่ายมากมีใครว่านิดหน่อยก็ปรุงแต่งทุกมีความทุกข์ข้างนอกก็ดึงมาใส่ในใจคน เที่ยวไปดูดทุกมาโอ้โหวันวันเ น, นี่ยฝนตกยังเครียดเลยทั้งๆเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยนะฝนตกฟ้าร้องแดดออกคนเขาด่ากันทะเลาะกันตรงนั้นเที่ยวไปหยิบเอามาใส่ในใจเราแล้วก็ทุกข์กลุ่มใจมันทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้ยังไงลูกคนนั้นเป็นอยนอยู่อย่างนั้นแหละมันทุกข์มันปัญหาข้างนอกก็ไม่ฉลาดในการปิดก็ยังไปดึงปัญหาข้างนอกมาใส่ไว้ในใจเรา แล้วแล้วอยู่กับความจริงไหมเนะี่ยปรุงแต่งทุกเกินความเป็นจริงเป็นแบบนี้ไหมโรคแบบนี้เป็นไหมหรือไม่อย่างนั้นก็โอ้โหไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเออเ อ, อไปเลยปล่อยไอ้อย่างนี้ก็มีนะแบบมันมันไม่ไหวแล้วไม่อยากรับรู้อะไรก็อยู่อย่างเงี้ยเดเขาเด็กเขาก็กลายเป็นคนไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยการเป็นอยู่อย่างนี้ก็เจะเป็นอยู่แบบขาดปัญญาเขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรม คนปฏิบัตธิธรรมเนี่ยใจเขามีความสุขอา้าวยมมาพบมาก็ให้ข้อมูลความรู้เต็มที่เลยนะเนี่ยให้อยูหเนี่ยต้องคิดยังไงดําเนินชีวิตยังไงให้เห็นความตายของชีวิตยังไงบอกเสร็จปุ๊บเชื่อไหมบางคนก็เข้าใจบางคนก็เข้าใจแต่ฉันเป็นอิสระไห ม, มเมื่อให้ข้อมูลความรู้ฉันก็เป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบาฉันก็มีความสุขคนบางคนอาจจะเข้าใจเพียงแค่นั่งอยู่เนี่ยพลุกก็หกหมด คนบางคนมีปัญญาดุดหน้าตักแค่นั้นเองใช่ไหมอย่าลุกเนะลุกก็หายเลยบางคนเนะี่ยไม่มีปัญญาดุดหน้าตักเลยมันทะลุหมดเลยฟังไม่ต้องลุกก็ลืมหมดแล้วใช่ไมเมืม่อกลุ่มบางคนเนะี่ยมีปัญญาเหมือนหม้อควม่มคือตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนะี่ยเทไม่เข้าเลยมันคว่มไว หมอวันความเขาไว้น้ำเทใสามันเข้าไหมไม่เข้ามันปิดตั้งแต่แรกเนี่ยบอกว่าไม่รู้ท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยปัจจัยมันส่งไปที่อื่นหมดนี่มีปัญญาเหมือนมอความโยเป็นกลุ่มไหนเนี่ยพอขับแค่เนี่ยพอเดินออกจากตรงนี้ไป<ว><า>เมื่อกี้ท่านพูดเรื่องอะไรเนี<ว>่ย<า>มันหกหมด ไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่รู้จำได้อย่างเดียวคือตายวกันเด้อไมเป็นแค่นั้นจริงๆนมันคิดไม่ออกนึกไม่ได้เพราะว่าปัญญามันไม่เดินโอ้ถึงเวลาแล้วสรุปแล้ววันนี้ก็คือแรกๆก็คือพ <laughs> <laughs> ูดเรื่องมอรณะมรณะนี่จริงๆก็ให้เอามาเจริญมรณงมรณะ แมาว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่แนรว่าอะรนางพระวิสติเราจากต้องตายใช่ชีวิตจะขาดกระแสชีวิตต้องตายพอคนที่พิจารณาถึงมรณะสติเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะจิตมันจะตื่นขึ้นมาสติมันจะทางานพอสติทางานสมาธิก็จะตั้งมัน แล้วความเพียรมันจะแกวกลามมันจะเริ่มเดินกุศลเริ่มปิดบาปรักษากุศลความดีไว้มันจะดึงข้อมูลดีๆมาวิจัยแย ก, ก่ๆแล้วจะหาทางออกว่าเราจะออกจากความตายได้ยังไงเราจะต้องพ้นจากมันให้ได้เราจะไม่ยอมตายอย่างมีกิเลสเราจะให้กิเลสมันตายก่อนแล้วเราจะตายอย่างอิสระเสรีภาพไม่ไนดะ้เราจะนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะคิดอย่างนี้นะ ก็คิดอย่างนี้ยแทนที่มันจะประกอบหรือดําเนินชีวิตตามตามสมุทัยสัจจะเพื่อทุกขสัจจะคือความตายมันจะมาประกอบมรรคสัจจะเพื่อนิโรธาสัจจะคือพ้นจากความตายเออมันจะดําเนินชีวิตสทางนี้ถ้าประกอบสมุทัยจุดหมายคือทุกชาติทุกชราทุกพยาธิทุกปรณะทุก์เป็นจุดหมายถ้าประกอบมรรคสัจจุดหมายคือนิโรธาสัจจะพ้นจากชาติชราพยาทิมรณะ ก็เลือกเอาว่าจะเดินทางไหนเดินตามมรรคสัจจะเพื่อนิโรธสัจจะหรือเดินหรือประกอบสมุทัยสัจจะเพื่อทุกขสัจจะไม่เอาหรือทีนี้มันจะเอาทางนี้นะครับนะครับมันจะดาเนินชีวิตถูกต้องนี่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอามรรคากับกเรานะให้ประสบความสำเร็จพ้นจากความตายกันทุกคนคือปานิพานอสาตุ